มันหลุดมาแล้วมันภาษาองค์มีเรื่องความสงสัยในแต่นั้นไปอยู่เหมือนกันอืมทุกลงไปเรื่อยไปบาดแล้วคุณลงมานี่ขอฉบับไม่ทราบเป็นนี่มันก็ความไม่นี่นี่คือไม่อกหลงไม่สนใจคํานึงถึงเท่าที่ควรแล้วมันจะเป็นคนสมบัติอยู่ตรงไหน หัดหมดคลุมที่ 3 แล้วมันไม่เสร็จกันมันก็เหมือนกับไม้ทั้งต้นมันจะมีกันอะไรมันก็ดีช่วยเหมือนเกิดประโยชน์ดีแล้วก็ชื่อว่าดีไงมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะจากคําว่าดีนะทําแล้วมันทําประโยชน์นะครับกันกันด้วยกัน มันทํามันจะได้เคลื่อนขึ้นมาถึงบ้านถึงเลยมีคนเหมือนกันท่านนี่เหมือนกันนะสัพพะบวชสัพพะอยู่ตั้งแต่ขอวัดปฏิบัติมีสภาพแก่ทานออกหนาวออกพักลําเดินก็ทําขี้เกียจมากมายดื่มหลับทํานักวินัยเข้ามาด้วยความขี้เกียจที่ภายในเนี่ยอย่างทนทายแลหมด ต้องหาคนที่มาที่ตรงไหนจากความปฏิภาณไม่มีเลยเพราะสมุทรเจ้ามันจะทําแบบนั้นมีความเพียรนั้นหนักเพียรมีสติประจังมีความสนใจต่อข้อวัดปฏิบัติศึกษาบทที่นัยมีความคุ้นเคยติดต่อกับพระวัฒนสังฆ์ต้องมีตะบิดอาการมีสมถะคือความคงแคบเพื่อพอพอใจ <จ าก. S 2> มันมันท่านดีได้มาเคยชื่อตนังของพระชื่อตนังท่านอํานาคมที่ตามไปก็ชั่วเป็นพระเอาดีในความเป็นพระพูดคําพูดด้วยสัญญาณมันไม่เกิดขึ้นได้นะไอ้เรื่องที่กินไม่ถูกนะแค่นั้นประกาศพอเป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบว่านี้คือเพศนั้นประพฤติตัวอย่างนั้นอย่างนั้นตามเพศนี้บอกบังคับอยู่แล้วนะมีเอานะ มันก็แต่เนื่องจากตัวภาคการไปทํางานทั้งแบบนึงถ้าหาขึ้นแบบนึงมาปุ๊บมันเลื่อนหน้าจากการของเดือนแบบนึงถ้าไม่ดีไปจนนั้นเนี่ยจะขึ้นไปทํางานหน้าที่เร็วขึ้นนั่นแหละขึ้นใจก่อนพอทํา จะปฏิบัติธรรมให้ทําให้มันเหมือนเหมือนธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อความดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกแน่ทุกหนต้องปฏิบัติทําให้จนเหมือนถ้าปฏิบัติจนกินตามธรรมรับพระพุทธเจ้าอันนี้มันงมนั้นน้อยเพราะฉะนั้นสําคัญเราว่าพระก็คือว่าอาจารย์ประเตือนตรงหมดทั้งตัวกับเขาได้ตรงหมดดง อืมปึ้งงานงานไหนจะเป็นงานจะมีการเลือดรอเป็นของงานของศาสนางานของพระของเหล่างานนี้มีทุกอย่างคุณพุทธะที่จะให้งานที่จะให้งานนั้นสําเร็จแต่ได้ความชื่นชมความมึศาลิยะนะ ฉันทํายักกิจกันบางครั้งพร้อมมีงานทุกคลิปนึกว่ากินน้อยกินได้เป็นสิ่งที่เหมาะต่อแนะนําสมมุติความทนใจมีหน้าที่ทํางานสมปกเนี่ยวิธีการของความทนเนี่ยเอามาให้เป็นเป็นความสําเร็จติดตามที่ความสําเร็จเป็นความต่อไปอีกใครต่อนั้น มีน้ําทานมีความฉลาดมีความตั้งใจทํางานเน้นๆเนี่ยเพียงเท่านี้ถ้าเกิดอีก 100 ต่อพื้นแผ่ความสําเร็จคุณกําหนดวันนี้นี้จากนี้ไปไม่อามันจะสําเร็จก็ต้องจากนี้ ยัดกรรมภิฆานเห็นกรรม 4 อย่างเราก็เรียกว่าภิฆิฆิคิดในสัปปุริสตาธิคิดดีแต่ชื่อปัญญาก็ดีแต่ชื่อเมื่อมีดีแต่ชื่ออ่านก็ชื่อเรียนก็ชื่อท่องก็ไม่เราชื่อมาเป็นปฏิบัติเป็นมรรคนิพพานเป็นความนิพพานพระทั้งปันยินเหอปุถังพระตะลุมหนามดีนะ จึงต้องตีมานานเพื่อความสําคัญต่อนี้ยิ่งกว่าภูเขาที่จะอยู่ได้อย่างเรียนเพื่อสังคมนี้มันเป็นหลักประวัติศาสตร์อันเป็นประวัติศาสตร์นี้มีขึ้นในข้อนั้นจึงยามปฏิบัติตามนี้อือถ้าทานเรื่องถ้ายินดีในรูปเสียงกินแล้วเครื่องสัมผัสเป็นต้นถ้าเท่านี้ก็ครอบโลกทานแล้วไม่ยินดีทําเอามันถึงจะมายินดี ยลให้จิตเป็นเป็นด้วยความมีรูปมันก็ยินดีเสียงมันก็มีกลิ่นมันก็ยินดีรสก็ยินดีทั้งทั้งอะไรต่างๆมันมีที่ดีทั้งนั้นจิตมันพัวพันอยู่ด้วยความมีดีตลอดเลยนะทั้งมีดีอย่างลึกด้วยถ้ามันให้ดีๆกระจัดไฉนมันจะไม่มีดีนั่นเรียกไปรู้สติปัญญานี้แล้วมันจะไม่พลั้งได้น่ะมันหลอกมาให้ มันไม่มีด้วยด้วยกันและที่นาฤาท่านไม่มีอันนี้มันอยู่ดีท่านอยู่ดีจะลาท่านจึงถ้าต้องการไม่ติดไม่ชมที่นานั้นน้อมตามความกินของมันต้องการของกินนั้นก็สมเหมือนถ้าเดินทางแล้วไม่ได้ออกนอกทางไปคงไม่เอาเลยท่านบอกให้กินน่ะที่ที่มันยังมีในลาย คนที่จะไม่มีได้นี่ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ครับเกรูปเป็นอย่างไรทีนี้รูปจะผลมันไม่มีปัญญาไม่มีรูปทั้งนั้นต่างมันมันเป็นกรรมประจุนี้มันก็รูปเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันเนี่ยอย่าดูนี้เห็นทุกแท้ที่มันจะไปไหนมันก็เรารับคืนเหมือนกันทั้งนั้น เรากินโจตรไม่จําให้ชื่อพระเองก็ชื่อว่าอันนี้ตัวกินนี่ถ้านึงก็ให้ทํากินพอกินโจตรนี่ตามรับธรรมอ่ะไม่หาคนไม่หาใครเคยไม่ได้คนครูบาอาจารย์ท่านดําเนินนําดําเนิน นามเจดละฝึกปรอาจารย์องค์สิทธาพระธรรมผสมอัปนําโดยรูปเป็นบรรณนะมันเลยเป็นจิตนิประยุกต์ตัวความจริงจะมันล้นตัวก็จะว่าเต็มตัวนึงมันล้นตัวมันหลายจะ ร่างกายก็รูปร่างมันก็เห็นทําให้ดูคนยากทุกคนมันก็โดนมากคนมากทั้งนั้นเองเพราะไม่ดูนะครับเพราะตาบอดตาไม่บอดมองไม่เห็นเนี่ยมัวๆมองๆไม่นี่ก็ติดตามโดนสุดทุนยอมหัวแตกมันตําแหน่งอ่ะเพราะมีดูงั้นมันโดนมาก <c oughs> แล้วของเล็กของใหญ่ถ้ามาดูไม่เห็นมันตนได้ตนได้ของจริงมันเป็นตัวนี้ทําไมจะไม่เห็นมันสอนให้สอนฝึกเลยอืมมีปรากฏมานานหาต่างๆไปตกพื้นดูถามดูความเป็นอยู่ของมันก็ยังมีอยากสักทีมันไม่หลงได้ยังไงคนเลยมันหลงอยู่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับธรรมมันก็คิดตลกครบคร้วนฟาดมันไปกันน่ะ คราวนี้ดูอย่างนี้คงถึงเพราะความจริงมีแค่แค่มันกองกันน่ะมันมันไม่กินการทํามันจะผลทําไปไหนถ้าไม่ให้กิริตค้าปืนเวลานี้เรามาฆ่ากิริตทําไมจึงต้องให้มันพาปืนไปเรื่อยๆปืนความติดนั่นนูนที่ถึงต้องพิจารณาที่ถึงต้องเมื่อความจริงกันมันทํายังไง ในนี้มีความสําคัญหมายทั้งหลายทั้งปานที่ปิ่นเกี่ยวกับธรรมนี้แลเป็นเครื่องปกปิดจิตไม่มีความจริงแต่เป็นอะไรมาปกปิดมีอะไรมาปกปิดไม่มีมีความสําคัญหมายมันตัวเองที่มันปิ่นเกี่ยวกับธรรมที่ปิดความจริงไว้มันก็ไม่เห็นธรรมความคิดความแบกความถามอยู่ทั้งวันยังควรนั่นดีแล้วใครว่าบุญขุนน้อยเท่าวิญญาณ มันมันทุกข์ที่ไหนไม่มีแม่เครื่องของพระไม่มีพระกิเลสไม่สงบมันมันไม่ระงับเกิดพรหมายวิธีกล่อมให้สงบอ้อครั้นวันเห็นเหตุเห็นผลตามกฎของภูมิแล้วมันจะเห็นปัญญากิจถ้าไม่เข้ากิจความนี้หายตรบุนแล้วเข้าสู่ความนี้ยินอาหารไม่เคยที่จะนำมาแล้วที่เอาปัญญาลงมาถูก ท่านได้สงบลมด้วยอำนาจของปัญญาแล้วหนักแค่นี้แล้วลงในความอาถาได้ขอให้มาก็อาถาสงบธรรมดาเพื่อการสมถะในสมถะไอ้ตัวนี้มันก็เป็นนิยามถ้าสมุจปัญญาแล้วมันอาถาณ์มากในจึงกากเสียงออกมาพอได้พิจารณาอย่างนั้นได้ถึงผลอย่างนั้นท่านว่าผิดไปก็ก็ตาม การติงอยู่กับเราเราเป็นผู้พิจารณาเราเป็นผู้ได้รับผลเป็นผู้รู้คุณในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาเราอาศัยต่อประสิทธิ์ที่เราปฏิบัติและที่เรารู้นั้นนี่มันรู้ในจิตแล้วมันจะกระทําได้ไหนพรรณนามันก็ไม่ทั้งในไม่ทั้งหมดให้สมกับพระอัลเลาะห์มา นะคือแล้วอัลล่ายมันต้องก่อนบางครั้งก็จมดิ่งลงได้ด้วยการพิจารณาอารมณ์ที่มันวุ่นวายขึ้นไปวุ่นวายกับอารมณ์นั้นนะอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่บุญรามันจะมอบรากของทุกขเวทนามันมันเป็นภัยหมดทั้งตัวอ้าวไปไหนที่จนเกาะถึงรักไป ยินดีกันจะบินิหารในอ่าเผาห้อมอยู่ทั้งร่างกายเป็นไฟทั้งหมดเมื่อเอาตัวรอดด้วยสติปัญญามันก็จงนะเพราะไม่ยอมให้หนีไม่ยอมให้ลบอ่ะตายก็เท่านั้นอ่าถ้าสติปัญญามีเอาหาทางออกด้วยสติปัญญาอย่าหาทางหลงด้วยความโง่ความมัวซูมนั่นแหละนี่คือความโง่นะ สู้ไม่ได้ก็ถอยออกมาด้วยความโง่ยาออกมาเป็นเด็กครับหัวขัดให้ขัดไปอะไรไม่มั่นคงให้ขัดไปก็ออกมาด้วยความโง่นี้ไม่ยอมออกเอาให้ออกด้วยความฉลาดออกทุกข์ทอดทนกับทุกข์ไปด้วยความฉลาดมันยามมันปักตรงนี้ไม่มีทางออกเหมือนไอ้ปิดประตูที่มหามันชื่อแต่มันใจในห้องนี้ <c oughs> เอานี่เป็นรายละเอียดนี้เอาขี้ทะลักออกไปยังน้ําหนามทะลักออกไปเหี่ยวมันจะล้างเฮ็ดมันล้างไปไม่ยอมลงนิดบางครั้งปัญหานั้นมันจะออกไม่ได้เอาทีนี้สิบรรดามีจอกมือที่ฉลามออกไปที่โง่ออกที่ที่โง่นั้นออกไม่ได้มันออกพร้อมกันขอยทับกับแฟนนี่มันออกไม่ได้เอ้าออกไปหมดเลย ของมันทําเป็นของจริงมาตั้งแต่ข้างต้นปกติการก่อนปกติการเรื่องกลางไหนๆว่าเป็นของคุณอยู่แล้วทั้งหมดทุกเป็นของจริงที่จะมาให้อยู่นี้สมมุติอันก็เป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเอาพิจารณารับถอนให้ได้เรื่องอบายของอติปัญญาจะเป็นไม่โรดขึ้นน่ะคือความดับที่คุณเอาอยู่เนี่ยมันไม่มีทางออกจริงๆก็สู้คิดกับสู้คิดพิจารณาค้นคว้านทุกมากเท่าไหร่มันยิ่งขุดค้นไปถึงตรงนั้น จิตยังพิจารณาทุกๆส่วนทั้งส่วนร่างกายทั้งส่วนเวทนาทั้งส่วนจิตที่ไปเกี่ยวข้องยอมกลับเข้ามาตรบทบทวนในภาค 400 กี่พันผลอยู่นั่นแต่ไม่ยอมปะแจกจิตแย่ออกจากงานนั้นเลยอืมทางนี้ก็เข้าใจอยู่นี่อืมทุกระดับไปด้วยเหมือนกันมันเป็นปัญหาถ้าลงสติปัญญาได้รอบแล้วไม่หวั่นจิตไม่หวั่นเห็นเป็นความจริงทุกจิตทุกอย่าง บรรดาที่มีส่วนร่างกายวิเวกณาธิปิฎาเกิดขึ้นมากน้อยไม่ต่างอันสักต่างทีไม่ได้ประเทือนกันทุกข์นั้นถึงหนักแต่ก็แตกไปแตกไปไม่ได้ประเทือนพอรู้รอบแล้วว่าทุกข์เป็นทุกข์มันกลายเป็นกายเป็นจิตเป็นจิตไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยปัญญาที่เห็นชัดแจ้งแล้วในขณะที่วิเวกณาณนะอย่างที่บอกออกไปความฉันท์ ปอดพอดพัฒนาเป็นนอกเป็นของเราพอดเพราะเราแบกหามเท่าไหร่มันยิ่งหนักยิ่งร้อนเองคนที่นาเกียดเนี่ยกันเห็นตามจริงน้ํามันก็ปอดปอดแล้วสังขารต่างๆนี่ประการหนึ่งประการหนึ่งทุกเยรณาท่านดับทุกทุกเยรณาสัตตะได้ดูอย่างนั้นเป็นที่เป็นได้ของเราก็ตามจิตก็ยินได้อย่างก็บาทเพราะไม่สะเทือนจิตเลยมันแยกกันได้แล้วนี่มันต้องชัดตรงนั้นคือการพิจารณา พิจารณาได้ตัญญาอย่างเอากินมาสั่งเอาเป็นราคาเพราะว่าเวลาเห็นมันเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นดีๆพิจารณาภายหลังเราจะไปอุปาทานของเก่าจะยึดอดีตมาช้ากับมันได้ต้องหามรรคปัญญาเอาบรรยายเก่าที่เคยใช้แล้วมันช้ามันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วเพราะการปฏิบัติต้องมุ่งผลตรงต้องมุ่งปฏิบัติเสมอจิตให้ลงปฏิบัติพิจารณาในวงปัจจุบันมันจะเป็นเหมือนเก่าประจำแต่มันเกิดในปัจจุบันข้าเจ้าอุปายังเก่านั้นนับวิบัต เป็นเครื่องมือช่างมันเป็นอดีตมันไม่ได้ผลนี้ไปพิจารณาอย่างนั้นอ้าววันนี้เป็นอย่างนี้แล้วอย่างนั้นเอาจนกระทั่งถึงที่เกิดถึงผลกันประจักษ์เช่นเดียวกับวันคราวนี้เหมือนล้วนว่าปัญหาชนิดไหนก็ตามชนิดนี้ก็ตามชนิดเหมือนกับก่อนก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นมามันก็แก้กันได้อืมมันรู้ธรรมชาตินี้แม้จะกําทานมันก็ไม่เห็นกลัวอะไร คำว่าการหลอกเป็นสวยอยู่ว่าหลอกด้วยตะโมงนั่นมันจึงตั้งแต่หลอกกันคือความเกี่ยวข้องหมู่ความสัมพันธ์โค 6 ภพว่างว่ามันไม่มีอะไรตามนี่เราพิจารณาปัจจุบันธาตุต่างๆนี่แหละดินน้ํามันใครมันเคยตายเมื่อแต่ธาตุของดินน้ํามันใครมีที่ไหนอือเวลามันมาเป็นรูปเป็นหน้ามันก็มาแต่ดินน้ํามันมันผสมผสานมีศึกษาพระพุทธเจ้าตัวการอนันต์ เปลี่ยนลักษณะ 5 ทีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็มาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายขึ้นมาโอ๊ยหลงกันนี้ท่านทั้งเพือนเป็นธาตุเดิมของมันนั่นแหละนี่นักภาวนามันถึงความจริงมันแล้วอ่าถึงขั้นตายตายอะไรตายเนาะหารายหานี้อะไรมันตายเนี่ยทําไมถึงกลัวตายไล่มันไปนั่นไปภาพเวลามันสลั้งไปนี่อายเป็นไรอะไรที่หาอะไรไม่ที่หาย ละลานไปนี้ดินก็เป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟมันใจก็เป็นใจอย่างนี้นี่ขณะพิจารณานั้นมันยิ่งเด่นเด่นชัดตาเห็นได้ชัดรู้ได้ว่าเป็นอันนั้นจากสิ่งนี้อย่างชัดๆนี่น่ะไม่สงสัยนะแล้วอะไรต่อจิตมันก็ไม่ถามเมื่อมันรู้อยู่ดันๆนี่อะไรต่อกันแล้วกลัวอะไรคุณกลัวดงก็แล้วนี่นะนะทุกเวทนาจิตกระทําสันนั่นน่ะตายมันก็เวทนาหน้านี้น่ะน่ะเคยเป็นเวลานี้ที่เราพิจารณาอยู่ อันใดนั้นให้มาลอกเราได้เมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วว่านี่คือทุกเวทนาเป็นอย่างนี้เป็นความจริงอย่างนี้เวลาตามันเจอทุกขณเวทนาตรงเหมือนกันมันก็ต้องเป็นความจริงบันดาลใจนึกหาดหงอยไม่กลัวแล้วตานี้มีอะไรตานี้มีแต่ความสบายผมตัดนี้ออกไปจากกันได้ถ้าสติจะทําให้หมดที่คือเป็นทุกนะมันรู้เวทนานี้ขณะย่อมจะกลัว นี่ที่นานเนี่ยมันโล้จะมันอยู่ตรงนี้มันได้อาหารอยู่มันก็ได้ที่สักวันนึงแล้ววันหลังมันยิ่งอ่าถานดิเพราะมันมีเครื่องมีต่อสู้เคยเห็นสมัยนั้นยกบายที่มันก็ได้มันจะยอมแทบมันได้ขุดลงไปเบิ่งเวลามันขุดลงถึงคํากินเต็มที่แล้วต่างงานต่างกินประการนี่มีประการนึงก็ดับหมด กายมันก็ไม่มีเหี่ยวหายเนี่ยแต่มันไม่สําคัญนะคําที่เราสําคัญได้คือการหายหายหมดหินไม่ได้มันเป็นอนิจจังถึงรู้แต่สําคัญมันเป็นความสําคัญทั้งนั้นไม่หับมันดับเกิดความต้องมันเป็นความของขันธ์นี้มันไม่ดับมันเป็นผลเกิดขึ้นกับตัวเองจะหนุดจะขึ้นในตัวเองจากการปฏิบัติมันคือเป็นปฏิจจังปฏิจจังอย่างนี้เองเกิดผลขึ้นมาในปัจจุบัน มันเป็นธรรมเห็นกระจกนี่พิจารณาหมายความว่าพิจารณาเท่าไหร่มันยังอาจที่หาถ้าเราไม่ปังแล้วความแพ้ไม่นี่อัตตาให้ก็ตายเลยเถอะน่ะแต่จิตที่มันจิตข้างในจิตของมันว่าอะไรก็ไม่ทราบมันจริงกันมันจึงไม่เหมือนหินผักเอามาต่อก็ไม่ได้เพราะเรารู้ว่างั้นด้วยเหตุผลแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างอื่นไปได้เมื่อตาก็ตากันเองที่มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากไอ้คนนี้ทุกโลกแล้วนั้นเป็นมั่งนะเด็ดๆอย่างนี้การสถรรมันตัวนี้มันหนักที่สุดเอาลงถึงเป็นถึงตายของด้วยถ้าว่าเราจะเที่ยวไปเพื่อปีนเรื่องนี้เพื่อมานั่งนี่ถ้าจะเคียงปากสรรสอนอย่างเหมือนหนึ่งสอนหมู่เพื่อนคู่ดาวากรรมเป็นพื้นเป็นภัยก็เป็นพื้นเป็นภัยแต่เสียงแต่หีเป่ากับหีไม่ถึงจริงทั้งมือ จับมัดเสมือนเราจับมัดเราเราจะจับมัดเราอีกจับมัดเป็นอย่างนั้นยกไปได้หนานั่นตั้งแต่ตั้งนี้ถึงเวลาเท่านั้นเช่นเป็นตบัดนี้คือท่านสว่างนี่เป็นเวลาที่จะลบค่าติดทั้งนั้นเป็นก็เป็นปราตตาที่ตรงนี้จะเคลื่อนค่าออกไม่ได้อ่ะแกนปัฏวะอะไรดูไม่ได้เอาพลัดออกปานคืนเข้ามาละได้นี่จะเกิดมาไม่หมายไม่ยุคปฏิบัติตามที่รถตัด พอแม่มีสิทธิ์ครั้งที่ 1 นี่คิดที่รถกาแฟไม่ได้รถก็เห็นไม่ได้เลยไม่ยอมมีคอมเมนต์ให้มันอันนี้คอมเมนต์เย็นทั้งแบบอัตตะวะอุจละมันจะพยายามหาทางของมันอย่าติดป่นอยู่หมามันต้องสู้ไว้ก่อนมันจึงไม่มีคอมเมนต์อะไรมีคอมเมนต์ก็เพราะครูบาอาจารย์เป็นความคิดเฉือนเกิดขึ้นในวงมรรคมีพระนี่มั้ยวะ ก็ที่คิดเห็นจะเป็นปัตทานังข้างหลังนี้มีเรื่องเรายกเว้นให้แต่เราแน่ใจว่ามันไม่มีถ้าเค้ามีก็ออกจากนั้นข้อความสําคัญมันเหลือนี่เดี๋ยวก็หมู่ 5 ควาจาเราให้ยกเป็นข้อเงื่อนให้สําหรับเราเองไม่มีเลยถ้ามีมันจะออกเข้านั้นไปอันนี้ก็ไม่ถึงกําหนดแดนกัน ยิมัทในการนี้ตัวนั้นของสอนพระมรรคนี่เอาถึงตัวต้นตนถึงเต็มถึงเหมือนคนอย่างเอาจริงๆเฮาฟาดฟ่านลงไปทีตาก็ตาก๋านุเป่นน่ะมันปากก็สูงดูแล้วก็ดูประดูดูเลยป่ะดูเจ้าของมันเอาสิ่งมันทําเอาเป็ดก็เป็นทางอาการขนาดนี้มันมันมันจะไม่หนักไงไม่ยอมให้ลูกตากะตาอยู่นี่ โรคของต่างนั้นเขานั่งคุมนาเป็นชนิดก็กลัวตายเหรอออกไปแล้วมันจะตายเหรอเนี่ยมันย้อนกันมันยากถ้าออกไปแล้วไม่ตายก็ออกได้แต่โรคคนตากันทั้งนั้นเปิ่นมันจะปัดภาคของสัตว์ของมนุษย์ทั้งนั้นเขาไม่นั่งสมาธิก็ตายถึงเวลาแล้วตายนี่ทําไมจะกลัวตายเราแทนนั่งเข้าหาเงาความดีสว่างทําไมกลัวตาย มันไม่จะออกมันก็ขุดคนลงไปเวลาจนกอกมันเกิดสติปัญญาคนเรามันไม่ได้โง่ตัวเองเวลาจนกอกนั้นน่ะมันหาทางออกกันได้นี่ไม่หาทางออกทั้งโง่นะต่อนี่ของมันออกทางโง่ด้วยความพอทนด้วยความพ้อถายอย่างมันไม่เอาไม่สู้ไม่หน้าไม่เอาถ้าเอาแล้วทําสนัดมันก็ออกมันอย่างนั้นออกด้วยความฉลาดมันคือนะแต่ว่าคุยก็คุย <necessary. S 2> ตัวออกมาได้แล้วออกจากคุกเวทนาที่มันตนนั้นเบื้องบาลิภีรู้เท่าทันจิตไม่เข้าไปยุ่งพัวพันกับมันมันก็สบายนี่อยู่ออกได้พ้นสง่าแต่ตอนมันเป็นอย่างนั้นเวลาพิจารณาเข้าไปแล้วมันเหี้ยกันมากจะมีอะไรทับเกินมันยากจริงๆครับมันรู้ได้ แล้วเอาที่มาจําตอนนั้นมันจึงมันจะตามอย่างนี้อ่านั่นแล้วก็พิจารณาถึงความจริงไอ้พวกที่เกิดเกิดขึ้นนี้จะดับหรือไม่ดับก็ตั้งทุกข์เถอะเรามันไม่ต้องการว่าอยากให้มันดับซึ่งจะเป็นการเพิ่มศีลัพธ์ขึ้นมาที่เรียกกลัวต้นไทยภวะตัณหาอยากให้เป็นอย่างไหนอย่างนี้อยากให้มันหายเราต้องการแบบความจริงความจริงนี้เท่าไหร่เราขอรู้ทั้งนั้นวันนี้มีอย่างคํายกเมืองขึ้นสาทุกข์วันนี้ก็จะทํามีทุกข์อัปปะเป็นต้นมีเท่าไหร่ขอแสดงให้คําประจักษ์นี้มีหมด แต่พิจารณาตามทางถึงเวลาก็มาถ้ามันถึงเวลานั้นตาก็ตายภาษาคุฑแสดงให้เห็นที่บัดนี้กระทังก็มีข้าพเจ้ายอมรับคือไม่ทางหนีทุกข์จัดเป็นความจริงนอกจากน้ําตาไปเยินนะมันก็สิมีใจนี่นี่ก็ทํางานแค่แค่นี้ที่จะไปไหนไม่ได้ถ้าลงในทุ่มนมขณะนี้แต่ที่จะรีบออกไปข้างนอกไหนไม่ได้นะแต่มันก็ไม่เป็นทุกข์ไง กายก็เป็นประดุจเหมือนไฟคือความร้อนเต็มไปหมดในร่างกายกระดูกทุกข้อทุกชิ้นทุกอันเหมือนจะมันจะแตกไปเรื่อยๆจากกันผิวหนังก็เหมือนไฟเผาอยู่เนี่ยแต่ข้อมือมันยังเหมือนมันจะขาดไปจากกันคือมันออกร้อนหลังมือที่วางทับกันความร้อนนี้เป็นอย่างเล็กแต่เรามันคือข้อมือกับลักษณะข้อมันจะขาดไปเรื่อยๆเหมือนกันมันถึงกลางกระดูกทุก<อ> จึงคิดต่อกันมันมันก็แตกออกไปเพราะมันเจ็บมันปวดมันเจ็บมันแทนเหมือนหอกเหมือนเหล่าทุ่มขึ้นมาทุกแยกทุกมุมแต่สติปัญญามันไม่ถอยนี่สู้มันจนถึงตายเวลามันรู้งั้นก็มันไม่มีอะไรกำมือนี้ว่ากันนี่เป็นหน้าผลอย่างนั้นเรานี้ทั้งอยากมันต้องทําดับอยากของมันถึงทําอย่างนั้น อันละมุกุมก็นั้นทีไรก็กินนั้นไม่เคยทาบกันเลยต้องเห็นความอัศจรรย์ขึ้นทุกครั้งความอัศจรรย์นี้ไม่เคยชินดังเลยอัศจรรย์แสดงขึ้นเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์อยู่อย่างนั้นตลอดไปท่านติดตามเหมือนเอาลักอาหารนี้อาหารนี้รักทําเติมทั้งต่างๆแล้วเบื่อนี่อัศจรรย์นี้ไม่มีทางเบื่อนี่พูดถึงความจริงความต่าง คำโมกคัมภนาเป็นสิ่งที่เราฝึกมันไม่แค่ทําได้แค่ทําโมกให้เป็นสมาธิแก้ได้อามินเกิดอิบาดะห์ช่วยตัวธรรมะทั้งหมดเป็นอิบาดะห์ช่วยตัวทั้งนั้นพร้อมกินในกรรมนอนประเด็นคําเมตตานะคุณได้เริ่มเอาคิดตามไปเลยมีแต่เริ่มเมตตาพอคิดในนานยังตายจนสังค์เรื่องก็เรื่อย ถ้าที่มันเด่นคือคือพิจารณาทุกเวทนาแต่จริงมันตั้งมาแล้วก็อย่างนี้ยังมาถามถ้ามันรู้มันอาจถามมาคําก็อยากไม่ต้องบอกหมุนๆๆ วิ่งไปถึงที่ปัญหาปรมานด้วยแล้วมันไม่มีหรอกนี่นี่ถ้ามันขี้เกียจหนีหายไปทั้งหมดของงูนี่มันทั้งวันทั้งคืนอยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้มันเสียเวลาเช่นดึกทั้งนั้นไปคุยกับเขาดึกยามประตูกับพระกับแต่ว่าได้งานต้องทั้งถ้ามีสติมันก็ต้องเหมือนมีกําลังเขียนถึงมีคนมาหาถึงเราจะไม่ลุกจากขี้เกียจก็ตามณขณะนั้นก็เป็นเป็นไม่ได้ จับปากายก็เปลี่ยนไม่ได้ท่านผู้ดึกๆของเขานี้เมื่อวุฒิราไปมันจะมาเปลี่ยนได้นี่ก็ผ่านเวลาเวลาตัวนั้นการดูคนเดียวมันเหมือนที่สบใครไม่ได้ถึงเวลาอยู่มั้ยอ่ะดูเหมือนกันทีมีติดจะเอาจะเอาช่วงนี้นะเวลาคนิดนี่ก็เป็นขาดมีท่าละเกิดนะครับนี่อืมเวลามันขลาดมันมันมันน่ะดีมั้ยครับ พอพี่เจี๊ยบไม่มีสายหน้าดําหมดเลยพอตื่นทับกับงานจิตกรรมงานมันมีเหมือนกันแล้วปั๊บไม่ต้องบอกเค้าติดไม่ใช่ว่ามันเผลอไปแม่นไม่ทราบหนักอย่างงี้ทั้งวันทั้งคืนยังจะหลับทะนัดมันติดที่นั่นกับงานนั้นตลอดเลยแม้แต่ทันเนี่ยมันก็มันเกี่ยวความเกลือกับความหวานไงเปรี้ยวหวานเต็มเลยอยู่จิตมันทํางานมันมันจะมีลูกอีกทางแล้วอย่างนั้นมันไม่เนี่ย อารามนั้นก็ไม่ปล่อยงานนานพะเนียงมันเมื่อตอนนี่อัตโนมัติมันต้องบังคับบรรทัดนอกไปยำยั้งเอาไว้ยะลำพิจารณาเกิดกันเกิดเหตุเกิดผลมันหนอยคิดใจคือความคิดความปรุงมันเป็นอย่างนี้ดิมันคิดมากพิจารณามากมันก็ทําให้เครียดมันก็ไม่ถอยนี้ดิพิจารณาเรื่อยๆก็เห็นขนจากการพิจารณาเสมอไป นักในทางนั้นรู้เท่าถึงมีเข้าใจถึงนั้นไปเรื่อยๆพอเข้าใจถึงนั้นมันก็ปล่อยวางครับเข้าใจได้ปัญญามันปล่อยปล่อยงั้นนี่มันยังบังคับกันมาให้ทํางานพอมันจะตายเนาะเพลียงนอนก็ไม่หลับเพราะมันทําเพลินในการงานมันไม่ยอมหลับนี่นั่งอยู่กับพี่งานเนี่ยนอนให้หลับมันก็พี่งาน ตนบังคับประดิษฐ์อย่างบังคับให้ประสิทธิ์คงสงบนี่จะต้องถูกบังคับก่อนคือว่าแจ้งเรื่องความทั้งหมดพอกําหนดปั๊บอยู่ตรงแนวนี้วันเดียวนั้นมันไม่มีอะไรคือสมุทรตรงแนวตัวคําดูวันละคําดูนี่บ่มสมาธิให้หมายถึงความรู้ที่พจน์จากอัญชาแล้วเนี่ยค้อนมามันกระทบกระเทือนอีกทั้งที่แนะนํามาตอนนี้รําคาญเข้าน้ําปั๊บปั๊บสมาธิมีระยะยุ่งนี่มันก็ทํางานมา ไม่ได้คุยลมสมาธิเคยมาเกิดเคยอย่างโลว่านั่นน่ะเวลามันออกแล้วพอเห็นคุณค่าของทางคุณนานปัญญาแล้วมันก็ทําไม่เห็นโทษไม่สมาธิก็นอนตายเสียก่อนไม่เห็นที่เวลาที่มันก็ไม่อยากจะเข้าเพลือนออกมาแต่มันก็คิดอยู่ทับจากความฟุ้งเกินตัวคิดในความฟุ้งเกินตัวต้องเล่าเข้ามาบังคับเข้ามา มันเข้าสุดมันนี่สงบไม่ได้มันควรเป็นเอาพูดโถหนอน่ะนั้นน่ะโดยการทุจโทษทียิ๊บเออขอย้ําว่าเกิดทางทางหนามจะไปหาหนามบางครั้งก็ทุจโทษทุจโทษทีเป็นกระทั่งแนวเพราะมันจะตายอยู่แล้วนี่เรื่องก็งานมันมีมีทั้งวันทั้งคืน ต้องบังคับของทุกตัวตั้งใจบังคับจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องบังคับให้สงบต้องบังคับการทํางานในการพิจารณาสงบคว้าไม่ต้องบังคับอืมเป็นนั่นตัวเองเองเวลาจะให้สงบนี้ต้องบังคับพอสงบลงไปมันมีกําลังมีสบายปล่อยนิ่งประสมอาการเมาอยู่ก่อนนะ เนอะพอถอนออกก็ไปมาตรงปั๊บแล้วมันกลับอะไรตรงนี้มันรู้สึกว่าผิดกันพิจารณาแล้วมันรู้ได้อย่างว่าเดียวคล่องแคล้วผิดกันกับที่ผิดในนั้นเป็นอย่างนั้นเราก็เริ่มฝึกค้นเข้ามาผิดเป็นความสมาธินอนตายเสร็จทีแล้วเราหัดทําสติกับกรรมพิจารณาเข้ามาผิดสมาธิ ในขณะที่เข้าสู่สมาธินี้ก็มีความสงบล่มเลยครับว่าพอถอนออกไประยะประมาณกับคนกําลังวังขาจากกามภพนั้นๆเหลือธรรมมีกําลังแล้วกําลังแล้วก็เป็นขึ้นเป็นธรรมที่กําลังบังสามีที่ว่าสมาธิอุปจน์สมาธิองค์ปัญญาสมาธิปริยังมีสมาธิปริภากปัญญามหาปรโหตมหาสังฆาสมาธิอันตัญญาบรมแล้วก็มีผลมากมีสงบมากมีความคล่องแคล่วว่องไว คนท่านใดมันก็มีที่ได้รับแล้วนะฟังเอามรรคเป็นปัญญาที่สมาธิอบรมบ่มเพาะให้ในพระปุ๊กให้มันขึ้นแล้วออกไปงามครบคร้วนลงไปเราเรียกกันว่าเป็นปัญญาที่ปัญญาที่โนมันตวาท่านเรียกกันว่ามหาปัญญา คือเป็นไปเองหนีตัวเองนะคือมาทํามันเกิดมันขึ้นไปหมดมันทั้งจะบวชก็ยังมีอยู่มากมายมันก็คอยเสียบกดคั้นหาเยาะเย้ยมันตอนนั้นไม่มีแล้วคําว่าจะแพ้อ่ะขึ้นตัวที่นี่จะไม่เกลียดประเภทไหนก็ตามจะไม่ยอมแพ้นอกจากแค่พาอยู่บนเวทีถ้าเป็นนักร้องเพลงไปต่อแต่ตายนี่เอามาแพ้มันให้อ๋อถ้าแพ้ประกันอย่างนั้นน่ะบริบุรุษ เราตายกับสนามรถนี่อีกไม่ใช่มันจะล้มลูกคลังทุกระเวลาถ้าเราฝึกครับเอากินทางมันต้องรู้ต้องเห็นเองแม้ว่าพูดอะไรก็ฟ่าวพูดแบบโม้ครับมันเกิดประโยชน์ต้องคําจริงมาพูดทําเป็นของจริงพระเจ้าสอนเพื่อความจริงผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงแค่รู้จริงให้จริงตามส่วนทํานั้นๆอยู่ตามกําลังก็จะเป็นได้ทั้งหมด ก็ทำให้แก่กลางของมันไปมีทุกข์ไปหมดเวลางานนี้เปลืองยากมันก็แสนสบายงานอะไรจะไปยุ่งยากพูดรายละเอียดออยึ่งของงานกรรมฐานงานองค์ภาคงานก็ปัชนาก็คืองานเจริญภาวนาสมถะวิปัสสนานี่แหละเจตฐานลงมานะการตาก็โตอยู่ถามว่าให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นงานของพวกเธอทั้งหลายท่านแล้วเรานี้ไปทําให้สําเร็จพองานนี้สําเร็จแล้วก็โลษ นี่ติดตามทําอะไรอ่ะเสร็จขึ้นสถานะของเสร็จงานนี้งานนี้คืองานเข้าแก้ข้องานกับฝันที่เหล็กอุปกรณ์ที่มันติดมั่นถึงมั่นในผมผลิตภัณฑ์นั้นเองกระดูกสภาพอาคารทั้ง 2 ส่วนทั้งภายในภายนอกมันยึดได้หมดเวลาพิจารณาที่คล้ายถึงตามความจริงเนื้อมันปล่อยได้หมดเราต้องถึงอนิจาไม่มีเหลือแล้วนั่นงานสําเร็จงานเบื้องต้นทั้ง เอานี้ให้ซะก่อนเฮาหยับๆให้ซะก่อนไปด้านมาทางไปทุกข์พอพิจารณาเข้าใจนี้แล้วมันจะคืนเข้าไปแม้มันเราไม่อยากข้างไหนพอมีก็มีบรรดาพอตัวที่จะพิจารณาส่วนเนี่ยมันก็มีได้แล้วมันจะทําทลบพอทลบไปแล้วเออเสร็จงามดีอ่ะอ่ะเปรียบด้านมาทานางานแค่นี้ สวีแลนด์อำมาแล้วก็อยู่ใต้ปาปาตราในนี้กําหนดกฎหมายในเรื่องการสถานที่หรือว่าเวลาทั้งหน้าพบหลังเงินเมื่อผลการสืบอย่าเรื่องสมมุติทั้งนั้นนี้เนี่ยจะเป็นสมมุติถ้ามันมีอันนี้อยู่มันก็ต้องก็เกี่ยวข้องกับสมมุติเหล่านั้นถ้านั้นไม่มีนั้นจะเอาอะไรไปเกี่ยวเนี่ยเพราะเอกวนัตโหเลนเป็นพื้นฐานโดยลําพังอืม มีกระทํามีทําแข่งในความรู้สึกเป็นที่ภาพนี้มีภาพเพียงเดียวเท่านั้นไม่ 2 กับ yeah. uh huh. 1 เลยนะอ่านั่นแหละนะท่านเดี๋ยวอธิบายให้ท่านฟังพวกอย่างเข้าเข้ามันเหมือนวันนี้นี่เอง